ริบหายรัฐบาลก็ชิบหายเหมือนกันประชาชนก็ชิบหายเหมือนกันและมันก็ขัดข้องต่อสุปฏิปันโนด้วยพระเล่นหวยสู้เขารักษาเจนห้าอยู่บ้านไม่ได้เนอพระเล่นหวยพระพุทธศาสนา เป็นวิชาสอนโลกมีมนุษย์สมบัติเต็มภูมิมีสวรรค์สมบัติเต็มภูมิมีพรหมสมบัติเต็มภูมิมีนิพพานสมบัติเต็มภูมิถ้าเว้นอบายมุกอบายมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพรหมวิบัติ เป็นนิพพานในแบบพ่อพี่น้องชาวพุทธอย่าไปทำเนอให้เค็ดหลาบเรียนวิชาเค็ดหลาบซะพี่น้องชาวพุทธต้องเรียนวิชาเค็ดหลาบสิ่งไหนที่เค็ดหลาบแล้วสิ่งไหนที่เค็ดหลาบสิ่งนั่นก็ไม่ลำบากภูมิของพระโสดาบันไม่ใช่ได้อยากลวงละเมิดศีลห้า ไม่เสียดายอยาก่วงอบายมุขไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นนอกจากพระพุทธศาสตร์นะไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีด้วยไม่เสียดายอยากจะค่าขาย เครื่องปะหาคาขายมนุษย์ค่าขายเครื่องประหารค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ทูตัจจันโนไม่เสีดายอยากร่วงละเมิดเลยและไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวร เคยได้ทำเขามาแต่ชาติก่อนก็ให้แลวกันไปซักถ้าเขามาทำใหม่ก็ให้แลวกันไปซักเราจะไม่ตอบแทนใดๆทั้งสิ้นโทษอยู่แต่ไม่จองเวรคือภูมิพระโสดาบันเป็นพรมชรันรเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนา สอนตัดไฟต้นลมสอนตัดลมต้นไฟถ้ามีชิ้นห้าบาริบูรณ์ก็สร้างใจโลกธาตุนับแต่รูปเอียงสามาเว้นไว้แต่บ้าใบเสียจริตผิษมนุษย์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าสงครามก็ไม่มีศาตราอาวุธก็ไม่มี มีแต่เครื่องกวาทซ่าโลกทั้งหลายก็เป็นสุขนอนก็ไม่สะดุ้งผวาพราะไม่มีเวรอยู่รอบด้านขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเจ้าตรวนก็ไม่ต้องมีฐานตารวจก็ไม่ต้องมีเรือนจารรก็ไม่ต้องมีคดีดาคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมี เงียบหมดโลกก mm ัน hmm. นี <com> ่มองเห็นหน้ากันก็มีแต่มิตรแต่สหายไม่มีใครจองเวรเลยตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟเครื่องสายตาอาวุธไม่มีในโลกมีแต่สมานมิตรสมานฉันนเท่านั้น ไปที่ไหนก็เพื่อนไปที่ไหนก็มิตรไปที่ไหนก็มีแต่สหายโจนผู้ร้ายก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีตารวจก็ไม่มีต้องมีนั่นเพียงศีลห้าเท่านั้นละถ้าศีลถ้าไม่มีอยู่ในหัวใจของมนุษย์แล้ว ก้อนไมจะตั้งกี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เอ๋ยถูกไหมถูกไหมโรคเอดก็ไม่มีรู้จักไปยินแต่เข า, าอะเพราะตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้ว พรร่วงการมีสม็จฉายจานไม่มจะมาม่มามาจากประตูใดเพื่อใครเพว่มันก็ยินดีเท่านั้นอันนี้ด้านผัวก็ต้องการอยากให้มีผู้หญิงตั้งร้อยด้านเมียถ้าผู้ขี้โรคก็ต้องการอยากให้มีผัวสักร้อยคนถูกไหมผู้ไม่ขี้โรคก็ยกไหววนเก้าวนกระหมอ่อม ส่วนผู้เคี้ยวว่ามันมีมากทุกวันโรคล้องไนก็ไม่มีโรคฝีมะม่วงก็ไม่มีเพราะมันมีขอบเขตทุกวันเนี่ยไม่ไม่มีขอบเขตใช่ไหมรับทั้งหลายมันร่วงกรรมมาลงกันแล้วมันก็ปล่อยไปแต่มนุษย์ขาเลยพ่อแม่เอ๋ยปิดปากเคลียร ด, ด้วย ทำการเมซุมิชสายจาแล้วก็ฆ่าทิ้งนะมันก็ยิ่งรร้กว่ามสัตย์ชาน่ะถูกไหมนั่นนั่นทำไมพูดหยาบนักไม่เป็นพระุษะวายาหรือไม่เป็นพูดให้ถึงธรรมไม่ได้พูดหยาบห้าชาวโลกมีศีลหาบริบูรณ์แล้ว กฎหมายไม่ต้องตั้งมากเนอตั้งเพียงกฎหมายงบประมาณกฎหมายภาษีกฎหมายค้าทัพ์รักทรัพย์เปิดพืชผิดในกลาพูดโมสาดื่มชุราไม่มีชุราเขาทำไว้ทำไม เขาทำหาทดสอบคนบ้าใครไปกินแล้วก็เป็นบ้าทั้งนั้นถูกไหมน้าบ้ากินมากก็เป็นบ้ากินน้อยก็เป็นบ้าน้อยแต่ไม่กินมันก็บ้าอยู่แล้วลุงปู่เคยกินมอนกันแต่อยู่คาราวาะแต่อายุสูงขึ้นในวัยกลางก็ยุดแล้วเห็นโทษก็เลยทิ้งสิ่งไหนที่เห็นโทษชัดๆสิ่งนั้นทิ้งแล้ว ก็ไม่เสียดายเลยเช่นเราเห็นโทษในลุ่มฐานเพลเราไม่เสียดายอยากลงไปลุยมันจะหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราเห็นโทษในเรื่องน้ำลายที่พอนทิ้งแล้วเราไม่เสียดายอยากเอาคืนมามันก็ไม่หนักใจคำสอนแต่ละวรรบาตของพระพุทธศาสนาส่งต่อพระนิพพานหมดส่งต่อมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติ พรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวด้วยถ้าอุดมคติถูกแล้ววัตถุนิยมมันก็ดึงมาเองมันเหมือนทิศเหนือมีกําลังแม่เด็กแล้วไปดึงเข็มทิศชี้ไปไม่มีกำลังกลางคืนฉันใดคําสอนของพระพุทธศาสนาก็ฉันนั้นคําสอนใดๆในใจโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมด เหมือนเข็มทิศจะไม่กี่นาักาก็เชื่อไปในทางทิศเหนือหมดเชื่อมในทางสูงเชื่อมในทางลึกซึ่ ง, เ, งเพื่อให้คำหนึ่งในหลายทางน้ําให้น้องคลองเมืองบางต่างๆไหลลงสู่มหาส ม, มุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวฉันใดคําสอนใดๆก็ไหลสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นน้ําให้น้องคลองเมืองบางต่างๆ ไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดๆก็ไหลลงสู่คําสอนผู้ศาสษาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเป็นของจริงอยู่ไม่มีกํางวันกลางคืนใช่ไหมนี่ศีลมาจากอะไรก็มาจากอบายมุขใช่ไหมถ้าไม่มีอบายมุขนี่ศีลก็ไม่มี แข่งมา้าแข่งเรืออบายามุขทั้งนั้นกตดาชนไก่อบายามุขทั้งนั้นนักแรงหญิงนักเรงสุลานักเรงเลี้งการพนันครบคนชั่วเป็นมิจยดครานทําการงานในทางที่ชอบก็อบายามุขทั้งนั้นมุขะมุขะแปลว่าเป็นทางชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากเป็นประตูแห่งความชิบหายเพราะว่า ชิ้มหาอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากก็ว่านั่นคำสอนพระพุทธศาสนาสอนโลกทําเป็นโกรกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้พุทธเจ้าองค์ไหนก็มายืนยันคนํานี้จะมาขี่า้านพระองค์ก็มายืนยันจะมาเป็นยุกยุกก็มาตรงกันไม่รบก่าวพรบกันเลยสิ่งเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะวิพิจารณาทั้งนั้นกรำได้ใครกาก็จิต ใ, ใจเป็นผู้ก่อขึ้นใช่ไหมความดีก็ใจเป็นผู้กาขึ้นความชั่วก็ใจเป็นผู้กาขึ้นผู้ได้เสวยก็เป็นใจผู้เสวยตาหูจมูกเลียนกายไม่ได้ไปแยกเสวยผลดีผลชั่วด้วยอ น, นิยตธรรมิทโตนะโร ου. ทำอันประเสริฐก็อยู่ที่นอนและชนนั่นเองไม่ได้อยู่ที่อื่นจงพระพุทธศาสนาะเธอทั้งหลายจงรรทาจิตให้บันเทิงในการละชั่วทาดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงมาแล้วเนะี่ยจงมันผู้ใจถึงในทางทาดีเคียเอนพระบ ร, ระศาสดา งาเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีอย่ามีอิสระไปในทางทำทางชิบหายมีอิสระทางเว้นซักอาบายยมุกอย่ามีอิสระทางไปล่วงละเมิดพระเจ้าพระสงค์จะบวชร้อยพรรษาขวารตามแต่ว่าฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้เลขออกตัวนั้นเลขออกตัวนี้ สู้เขารักษาสินห้าไม่ได้สู้ถูกไหมหลอกให้เขาชิีหายแล ก, กูไม่เคยเล่นอยู่ขร า, าวาสเสียเงินบาทเดียวในรัฐการที่เกตแคดราบตายไม่ไปเล่นสักทีเลยซื่อหัวรัฐบาล ตัวเดียวก็ไม่ถูกเออพ่อแม่ของเราไม่เคยพาเล่นมาทานาหาเรี่ยงชีวิตเช็ดตายหลาบไม่ไม่ซื่อเลยเออนับเข้าทั้งเรียนหนังสือมาก่ห้าสิบเอ็ดภาษาเลยพราะบวชสองครั้ง บทพระหานิกายสี่พันษาในชุดที่เป็นคนหนุ่มสี่พันษาสาเณรสามพันษาพระพันษาหนึ่งแต่ เ, เป็นเณรใหญ่โตเนอ้อนี่ายุบปดี่ อายุ18ปีเป็นสามเณรสามพันษาอายุ21ก็ไปคัดเลือกทหารเป็นพระพันษาหนึ่งสมัยนั่นแต่เป็นพระมหานิกายเรียนนักทรรมตรีสอบนักทำ ต, ตีได้สองครั้งสมัย2 4 7 2 เน ล, ลาึกขาวไปหกเดือนแล้วขึ้นมาบวชอีกเป็นพระอยู่หกเดือนรวมเป็น 4, สี่พันษาทั้งเป็นเนรเลยมาแต่งงานมีบุตรหญิงคนหนึ่งแล้วก็เลิกกันเลิกกันแล้วก็เวลาก็บอกไ ป, ไปบวชใช่ไหมไม่ไปบวชเย บ, ยบเขา เขาจะว่าหามยาไม่ได้ไปบวชวิทาเขาหัวเราะแล้วก็มาแต่งงาน อ, งอีกอยู่รอบชันวังอุดอรใช่กรรมอยู่นั่นก็เก้าพันสก้าปีนี่เก้าปีก็ภรรยาก็ถึงแก่กรรมก็มีบุตรชายสองคนคนกลางมันตายเป็นผู้หญิง คนชุดท่องก็อายุสามปีพนิยาตายตายก็มอบเลือกสวนไรนาบ้านช่องให้กับคุณป้าคุณป้าแต่งงานที่หลังน้องสาวอายุสามสิบจึงแต่งคุณป้าผู้ที่เราไปแต่งอายุส8แปดปีเขาก็มีผู้หญิงสองคนเท่านั้น แล้วผู้ชายเ้าก็ไปสู่ครอบครัวของเขาหมดธรรมเนียมของคนวันนอกก็ไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปแอบกินกับภรรยาภรรยานาของเขาบานของเขาเรื อ, อนชาอะไรของเขาวัดทํานากินตั้งนาทํานากินท่านั้นเขาบอกว่าไปแอบกินกับมาแล้ว ด, ดอกภรรยาเขาข่มเหงมา เขาไม่ข่มเหงเราเลยทีนี้ขอนกล้าไปดำนาเขาได้คนละสามสิบมัดเราคนยาวแปดสิบทเหนือเขาไปแล้วเขาก็เลยหมดปัญหาเขาเห็นไม่เห็นว่าอะไรกับเราเมื่อเขาตายแล้วเราก็เลยธรรมดาตายแล้วก็มรดกมันก็อยู่กับลูกแม่คนป้าก็เป็นหมันทีนี้ เราบาแพรคุณป้าล่ะล้วก็เลยมาบวชเรามาบวดมหานียกาย 2,486 88เราก็ยัดติทีนี่เราไาในราวซื้ขาวัดโทธิสมพอรดดอุดรธานีท่านเจ้าคุณเทพกวีเป็นอุปชาถ้านับทางเรียนหนังสืออยู่มัน2ภาษาเพราะนักธรรมีมันสอบได้แต่ขั้นก่อนนะแต่เป็นคนหนุ่ม แต่มียากรนะก่อนที่จะสร้างมียากรท่านี้ก็เรียนรักทำโตต่อในนยนรับทำเอกต่อแล้วก็เลยมาปฏิบัติปีพันสี่ร้อยแปดสิแปดมาปฏิบัติปีพันสร้อยแปดิบเก้าอยู่กับหลวงปู่มัน่นเก้าสิบอยู่ที่นั่นเก้าสิบเอดยู่ที่นั่นเก้าสิบสองอยู่ที่นั่นเก้าสิบสามถวายพระเพอหลวงปู่มั่นแล้วครับไปยันจันุรี พระคือท่าแถบก็หลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเทสรังสีสมัยนั้นท่านอาจารย์รีหลวงปู่รีก็อยู่วัดคลองกุ้งสมัยนั้นพระคือท่าแลบสามเดือนไปไปมามาไปเจีายวอเภอขุงบ้าไปเที่ยวแหลมเสียงบ้าแล้วไปเอาหมูเอายางบ้ามัานปงแลบ้า ขงกุ้งบ้างเลี้ยเพื่อบ้างไปไปม า, มาอพอเดือนเจ็ดหลวงปู่เทศก็พาข้ามทะเลไปภูเก็ตพังงาไปอยู่ภูเก็ตพังงาก็สามภาษากลับมาข้ามเขาทอยจังหวัดพังงามาก็มาอยู่กับท่านอาจารย์มหาบัวเอกสามภาษาบ้านหว้วยทรายคําจีย๊ยจังหวัดนครพนมสมัยนั้น ออกจากนั้นก็มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่แแต่สองพันห้ารอยเนอเนี่ยนั่นก็เป็นสามหกปีแล้วเนี่ยมาอยู่นี่อะไม่ไ้จะให้พรเนอะ เนื S <S 2> <S 2> ้อยถาวะดิวะภูรารภะนิภูเรนทิซากระลังเอวเมวายโตเนังเปตาณังอวะกัปติิิตังวิชิตังตมพังคิปเมวะสมมสตุสเพภูเรนตุสังกปากันโทปนัลโสยะถามณีโชติเลโสยะถาสพีตโยเยวันัสสะปุโคสปะพโยสปะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตราย o ยสุขีทีคาโยโก ราวะอภิวาทนาสีนิจานิจังวทาฐาปยาโยยัตตาโรธรรมาวัันติอายุวโ น, โนสุขังภะรังด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วย ไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโรคอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้กว่าดีที่ไม่ได้มาในที่นี้กว่าดีทั้งทั้งใจโรกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบราบรพระพุทธศาสนาของพระสมมาทัพพุทธเจ้าในทางที่ชอบทุกๆด้านจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนอยู่ทุกงมื่ไม่มีประมาณนั่นเธอะ เจ้าของทิวาตลาดประดับกระตา ม, มฉันรับเรา่องสิ่งล่งค้นมาสําคัญเบื่อล่งค้นกับว่าเป็นปัญหาขอให้ล่องถมำพระเจ้าที่วันนัดไว้คนมาเป็นตาเรียมไส ก, กับว่าล่ลงกรตามนะครับลงคน้นให้ลงองถ้ำพูนฉันว่าเราเป็นผู้เห็นธรรม นี่ขันว่าเราไปพูดกันถ้ำขอวัดกั บ, บ่ามีขอปฏิบัติกับบามีเอาทัานิษฐทีไปขวงอยู่ข้าใไก่ฮะบ้านไหนสันบ้นมันเห็นทําบ้านไหนสันบ่านห่าของจักมีปัญหาอันหนึง่งคนเนียบนนขันว่าห่าว้องทํำเสื้อถ้แล้าก็พอจใจปฏิบัติเท่านั้นบวมีว่านจืดจางในพระพุทธศาสานานขนะคือว่าห่าเป็นคนฉลาดท่น ได้ว่าถือว่าตัวเป็นคนสลัดแต้งถอยหลังออกกาพระพุทธศาสนาสิว่าเจนปากสีเข้ากบลุงอันนี้น้อของฉันอร่อยว่าสิว่าตัวเห็นภัยในวัตถุสงสารกาเต่าบลุงออกอทิมขอวัดขอทิมภาวนหน้าของตัวได้ห่งสาคัญว่าตัวผู้สลด เข้ากระบ่ลงขึ้นกันถ้าหาว่าผนแล้วเห้ายกมือใช่ยุคำว่าหันผลเขายังมาบูเมนีนอืมในหลองฉันฉันผลเนี่ยเมื่อวะฉันเม่อหันผลเขาวาบบูเมียนที่อ่างว่าโตเป็นผู้เลี้ยนหนุเลียนยงสูงบรนไดกระซาร์อืมทดสอบได้หอดประโยชนเก่าเพื่อกระามขันยังใจเป็นพุทธส้นคนหนาอยู่ขอวัดปฏิวัติันกับบุญีอืม เน่สีว่าตัวเป็นคนหูสีสำคัญนาเป็นตัวคนหูข้อนสำคัญอันนั้นแหละเสื้อผ้าจาของตกลมคนสำคัญผิดมิจฉาทิฏฐิหวังชี้ห้านอนกลางทานไฟโยนข่วมชี้ข้านสีลุกหนีออกจากลุ้มทานเพิ่งสีมีบอสันแต่ถ้าถือว่ามันเป็นลุ้มทันเพิ่งจริงๆเกิดแก้เก็บตายหลบ ก, กดล้งนี่ ควบและอาศิยากดีนออกกากลุมท่านเพิ่งสีมีบอสันเมื่อเข้าภาถ่ายของเจ้ากลุมท่านเพิ่งมันหอนอยู่แล้วควบและอาสิษย์จักดีนออกศิษย์จักพยัญชนะง่ามออกกันมันทีหาให้แต่พายบอกพายคุ้มหรือว่าของฉันอร่อยก็มาต่อเมี่ยพบอกใ า, ายคุ้มอีกคือกันถ้เห็นเถิดคักๆกะขอวัดปฏิบัติอันไหนก็คือกันต้องเป็นไปเองนั่งกับวันนั่งเงื่อนือ พี่แนาธรรมะอยู่นอนก็บเห็นแต่แก้รับลายอืมฉันยันหันแ ล, ล้วพูนเที่ยงพ่นนอนขี่คน้นบายไปอีกนอนสองอีกลูกคือมหารุ่นนอนสามอีกห้าสี่กับสีหูสี่ตาต่อขบบ่สมอระบาดนีออ่อันนั้นก็ใส่บรัดชีวะโตเห็นทรห้อขอบบ่ลงอันนั้นหอกแงสัก ของหนังหุมอยู่แรอๆแม่นมทําทางนั้นเ อ, อี่ำไฟลูกทํำไฟน้ำกับเวทนาญนาสังขารเวียนานหลุดยุ่กับทําไปกับทํานอนฝ่อถ้ำอยู่นอนเฝ้าพูดธาตชาชนาอยู่ออวางสั่นอนเฝ้าโรกก็แม่นว่านอนฝ่กกนนอทํ า, า, น อ, น า, าอยู่กัแม่นเ อ, อี่ยยุ่กับตัวมาได้ยืมไ้มาพี่หนาตัวของไฟของมัน อ่านหนังสือห้องไฟห้องมั่นกวดเบิงเงินไฟเงินมั่นกระเป๋าไฟกระเป๋ามั่นเขาขายของเขา อ, อยังกวดเบิงเป็นมือเป็นมื อ, อม